ที่มาเข้าคอสมีคนไหนไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหมยักเหมือสซื้อมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีกงนนะ็ง่ายนลสิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่เรื่องยากมากนะแต่ว่าถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนรู้สึกยากแปลกกว่าที่ครูบาอาจารย์ทั่วๆไปจะสอน ส่วนมากท่านจะสอนกันบอกให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทาอย่างนี้สอลงพ่อจะสอนหลักใ ห, ให้รู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วจะมีผลยังไงสอนมาตรงนี้ให้เราเห็นภาพรวมของการปฏิบัติก่อนคนยุคเราเนี่ยไม่ได้มีศรัทธาแก่กล้าเหมือนคนโบราณคนโบราณไม่ต้องโบราณมากนะรุ่นหลวพ่อโบราณปานกลาง สมัยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ท่านให้ทําอะไรเราทํานะให้ปฏิบัติยังไงทำไม่มีเลิกเลยไม่ต้องคอยควบคุมอะไรยุคเราต้องใช้เหตุใช้ผลมากบอกให้ทําอะไรต้องถามว่าทําไมต้องทำลนะ่ะทำแล้วจะได้ยังไงลนะ่ะบางคนหนักกว่านั้นอีกนะบอกให้มีสติบอกอยากจะทําสมาธิก่อน สมัยก่อนมีเหมือนกันอยู่สวนโพนะบอกให้ฝึกสติไว้เริ่มต้นให้มีสติไว้ผมจะทําสมาธิก่อนเป็นป่านนี้มันก็ยังทาให้สําเร็จอยู่งนะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นต้นทางอะไรเป็นกลางทางอะไรเป็นปลายทางของการปฏิบัติถ้าไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญานต้องฝึกให้มีสติก่อน สติเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงขาสติอย่างเดียวจิตเป็นอกุศลไปหมดแล้วนะยันถึงต้องมีสติศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นกุศลขาสติไม่มีศีลขาสติไม่มีสมาธิขาสติก็ไม่มีปัญญาฉั้นเบื้องต้นต้องมาฝึกให้มันมีสติก่อน แล้วก็มาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาใครๆก็พูดให้มีสติมีสติสติฟังคุ้นเคยตั้งแต่ไหนแต่ไรใครๆก็สอนดีอย่างโน้นดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนสติเป็นธรรมมีอุปการะมากธรรมมีอุปการะมากมีสองตัวสติกับสัมปชัญญะ สัมผัสัญญาเนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาที่เราจะรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระเรื่องราวในโลกนี้มากมายเหลือเกินบางเรื่องเท่านั้นที่มีสาระเรื่องที่ไม่มีสาระนี่เยอะแยะตัดทิ้งไปก่อนในบรรดาสิ่งที่มีสาร ะ, ะบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ของที่มีสาระจานวนมากเลยไม่ได้มีประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ในบรรดาของที่มีประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์มีบางส่วนเท่านั้นที่เหมาะสมกับเราฉั้นสัมปชัญญนะนั่นแรกเลยรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระรู้วิธีกลั่นกรองนั่นเองว่าอะไรสมควรกัเรา บางอย่างไม่มีสาระบางอย่างมีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างไม่ได้มีประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ในสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์นั้นก็คือสมถาวิปัสสนาเนี่ยสมถะมีทั้ง40สอย่างวิปัสสนารู้รูปรู้นามเยอะแยะรูปก็มีเยอะแยะนามก็มีเยอะแยะบางอย่างหรอกที่เหมาะกับเรา ในบรรดาของมีประโยชน์ทั้งหลายนะบางอย่างเท่านั้นที่เหมาะกับเราอย่างบางคนทําสมถะสมถะมีทั้ง40สบอย่างเหมาะกับอนาปานสติอย่างเดียวเท่านั้นเองบางคนหมอะกับพุทธโธคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หมอะกับอย่างอื่นมนของที่สมควรก่เรานะมีไม่มากหรอกงั้ไม่จําเป็นต้องเรียนเยอะแยะ วิปัสสนารู้รูปก็ได้รู้นามก็ได้จะรู้ในมุมของขันก็ได้ในมุมของธาตุก็ได้ในมุมของอายตนะก็ได้ในมุมของอินทรีย์ก็ได้ในมุมของอริยสัจก็ได้ในมุมของปฏิจจสมุปบาทก็ได้นี่รู้นแต่รูปนามทั้งนั้นขันห้าก็เป็นรูปกับนามอายตนะ6ก็เป็นรูปกับนามธาตุสิบก็เป็นรูปกับนามอินรียี2สก็รูปกับนาม อริยสัจสมีรูปมีนามเพื่อมีนิพพานด้วยนี่ชั้นสูงปฏิจจสมุปบาทก็เป็นรูปหรือนามอีกเอวิชาเป็นรูปหรือนามวิชาเป็นนามวิชาเป็นโมหะอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นรูปหรือนามสังขารคือความปรุงแต่งของจิตปรุงชั่วปรุงดีปรุงว่างนี่ก็เป็นนามธรรม สังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นรูปหรือน้ำเป็นนามธรรมวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นรูปหรือน้ำโอ้ไม่โดนหลอกนะนามอะไรเรื่ยอันนี้นามรูปทั้งรูปทั้งนามนามรูปเป็นปัจจัยของสลายตตนาอายตตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปหรือน้ำทั้งรูปทั้งนามใจเป็นนาม ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปเนี่ยขนาดในปฏิจจสมบตัตนะเขาจริงก็รูป น, นามเท่านั้นเองมีปัสนานั้นเราเรียนให้เห็นความจริงของรูปของนามจะเรียนในแง่มุมของขันก็ได้ของาธาตุก็ได้ของอายตนะก็ได้ของอินทรีย์ก็ได้ของอริยสัจก็ได้ของปฏิจจสมุบาติก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนพวกคิดมากทั้งหลายนะเหมาะจะเรียนขันเรีนเรื่องขันห้า พวกชอบรู ป, ปรธรรมนะหมาจะเรียนเรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายมันตั้ง5้าอันเป็นรู ป, ปรธรรมมีใจเป็นนามรธรรมอันเดียวคนไหนถนัดที่รู้นามรธรรมก็เรียนในมุมของขันขันห้าก็มีรู ป, ปรขันนี้อันเดียวส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรธรรมแล้วแต่ความถนัดแต่ต้องมีวิธีการที่จะไปเรียนรู้ พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะเรียนรู้ให้งั้นสัมปชัญญะเนี่ยเป็นปัญญาบเบื้องต้นนะรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรานี่พอเรารู้ว่าอะไรสมควรแก่เราเช่นเราควรทำสมถะเพื่ออนาปานสติสมมติสมควรอย่างนี้ ควรทำวิปัสสนาเนี่ยด้วยการดูกายสมมติอย่างนี้นะถ้ามันเหมาะกันอย่างนี้เราก็รู้รู้แล้วเราไม่หลงไปทําอย่างอื่นการที่เราไม่หลงไม่เผลอไปทําอย่างอื่นนะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรอันนี้เป็นสัมผชัญญาตัวที่สี่สัมผชัญญามีสี่ตัวนะตัวที่หนึ่งรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระ ตัวที่สองอะไรในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ตัวที่สในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรกับเราอะไรไม่เกี่ยวกับเราไม่จําเป็นกับเราตัวที่สี่เมื่อรู้แล้วว่าอะไรสมควรกัเรานะไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมมันไปมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่สมควรกับเรานั้นตัวที่4นี่ชื่ออาศัมโมหะสัมปชัญญะ ดังนั้นธรรมะที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองไปสู่มรรคผลนิพพานได้นั้นก็คือสติกับสัมปชัญญะนี่เองสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี้รูปธรรมเกิดขึ้นรู้ทันรูปธรรมตั้งอยู่รู้ทันรูปธรรมหายไปรู้ทันนามธรรมเกิดขึ้นรู้ทันนามธรรมตั้งอยู่รู้ทันนามธรรมหายไปรู้ทันนี่หน้าที่ของสติไม่ใช่สติโลกโลก เดินดีๆไม่ตกท่อบอกมีสติขับรถไม่ตกถนนบอกว่ามีสตินัสติอย่างโลกๆฟังอาจารย์สอนฟังเล็กเชอร์รู้เรื่องบอกมีสติก็สติเหมือนกันแต่นั้นสติโลกโลกสติเพื่อความพ้นทุกข์เขาเรียกสติปัฏฐานเป็นสติเพื่อต้องรู้กายสติรู้ใจรู้รูปรู้นามนั่นเองนั่นสติระลึกรู้รูปนามเป็นตัวคอยรู้ทันรูปนามนี่ก่อนจะมาถึงสตินะ เราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรสมควรในเราหรือว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงวิธีที่เราจะรู้ว่าเราสมควรยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้แทนเรานะเพราะยานทัศนะที่จะรู้ว่าเราต้องทำกรรมฐานอะไรเนี่ยเป็นยานทัศนะเฉพาะของพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่มีพระสาวกไม่มียานตัวนี้สาวกเบอร์หนึ่ง องไหนสาวกเบอร์หนึ่งของพุทธเจ้าองนี้พระสาริบุตรใช่ไหมสาริบุตรได้ชื่อว่าธรรมเสนาบอดีเป็นเสนาบอดีเป็นแม่ทัพพระสาวกเก่งๆในระดับรองลงมาชื่อธรรมเสนาเป็นนายทหารสาวกรุ่นหลวงพ่อนี่พวกริ้วลอ <laughs> แบกหม้อแบกกระทะตามเขาไปส่งสเสียงส่งสวยนะระดับริ้วล้อสาวกเบอร์หนึ่งเพื่อทรมาเสนาบดีพระสารีบุตรเป็นเสนาบดีไม่รัฐมนตรนะีถ้าเทียบสมัยโบราณคือสมุหานายกนะสมุหานายกแต่เรามีสองตำแหน่งนะโบราณสมุหานายกกับสมุ ก, กราหมใครเป็นสมุหกราหฮม โมคาลาทนะ่าสาวกเบอร์หนึ่งอย่าว่าแต่เบอร์สองเลยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าใครจะต้องทํากรรมฐานยังไงนะลูกศิษย์ของท่านท่านสอนไม่ได้ทั้งหลายองค์นะต้องให้พระพุทธเจ้าสอนลูกศิษย์บางองค์นะท่านสอนไม่สําเร็จบางองค์ท่านสอนไม่สางงําสสเร็จนะเพราะว่า บารมีเขาานะต้องเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเวไนไม่ใช่สาวกเวไนคนบางคนเนี่ยนะจะรสรู้ได้ต้องพระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นเท่านั้นด้วยนะแต่ส่วนใหญ่พระสาวกสอนก็รู้เรื่องพระสารีบุตรท่านไม่รู้หรอกว่าองค์ไหนเป็นพุทธเวไนต้องเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสอนขอั้นไปเลย ไม่สําเร็จมีหรือบางทีท่านก็ดูจริตนิสัยแล้วก็วิเคราะห์เอาจริตนิสัยอย่างนี้ให้เรียนกรรมฐานอย่างนี้โสดว่ามันพลาดได้อย่างลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นช่างทองเป็นคนหนุ่มช่างทองเป็นคนประณีตสวยงามชอบของสวยของงามนี่ท่านเริ่มเรียนกรรมฐานนั้นท่านให้เรียนอสุภะกรรมฐานเลย ไปแก้นิสัยยังหนุ่มๆเนี่ยคงจะราคามากเลยเรียนไม่สําเร็จนะพระพุทธเจ้าเอาดอกบัวไปให้นั่งดูดูดอกบัวสวยงามใจชอบพอใจชอบจิตเกิดสมาธิจิตเกิดสมาธิแล้วพอดอกบัวมันเหี่ยวไปเกิดฉเฉลียวใจเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงว่าโอ้สิ่งทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอก เราจะไปหวังว่าอาจารย์จะมาบอกเราไปทําอย่างนี้นะไปทําอย่างนี้นะหลวงพ่ออยู่ในวงครูบาอาจารย์มาตั้งนานรู้จักครูบาอาจารย์เรียนมากับท่านทั้งหลายสิบวงนะสามสี่สิบวงพบแปลกอยู่วงเดียวคือหลวงพู ด, ดุลลงพู ด, ดุลไม่เหมือนใคระนะเพราะท่านสร้างบารมีไม่ใช่เป็นสาวกธรรมดาท่านสะสมบารมีจะเป็นถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ตั้งความปรารถนาสูงกว่าพระสารีบุตรอีกแต่ท่านเลิกแต่ ว, ว่าบา ร, รมีท่านมากมหาศาลซะแล้วนะหลวงปู่ ด, ดูลน์เนบอกได้คนนี้ไปหาเนี่ยแต่กว่าจะบอกได้ใช้เวลานานนะใช้เวลาร่วมชั่วโมงเลยอย่างเราเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยหลวงปู่จะนั่งเงียบๆนะหลับตาเงียบไปเลยฉะ น, นั้นนึกว่าท่านนั่งหลับเลย ไม่คุณกับท่านนั้นนึกว่าท่านหลับไปนะหลับไปตาไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านสอนเลยแต่ละคนท่านสอนไม่เคยเหมือนกันแล้วถ้าทําอย่างที่ท่านบอกนะก็ไปอย่างรวดเร็วเลยถ้าไม่ทําอย่างที่ท่านบอกไปไม่รอดเลยเห็นองค์เดียวนะองค์อื่นไม่มีหรอก ย, ยังไม่เคยพบเคยเห็นนะมันไม่ใช่สาวก บ, บรารมียานไม่ใช่ไม่ใช่ยานที่เป็นบรารมีของพระสาวก งั้นเราจะไปหวังลมๆแรงๆว่าจะมีใครมาบอกเรานี่ชอบได้ยินอาจารย์นั้นบอกได้อาจารย์นี้บอกได้ไม่จริงหรอกนะไม่จริงหรอกมันไม่ใช่ญาณทัศนะของสาวกธรรมดาทำไงล่ะต้องสังเกตตัวเองเอาว่ากรรมฐานอะไรที่เราทำแล้วเหมาะกับเรานะกรรมฐานอะไรทํแล้วสติเกิดบ่อย กรรมฐ า, านอะไรทํแล้วศีลสมาธิปัญญาเจริญขึ้น<ม>ต้องสังเกตตัวเองเอาหลักสูตรที่ท่านช่วยในการสังเกตก็มีนะอย่างจะทําสมถนะท่านก็มีหลักสูตรมีตัวช่วยบอกได้คร่าวๆนะแต่ลงรายละเอียดจริงไม่สำเร็จหรอกพอเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะแต่ไม่ใช่แอกซ์ซเลยว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่ อย่างคนจะทําสมถะนะเลือกอารมณ์กรรมฐานของสมถะต้องเลือกดูตามจริตนิสัยจริตในการทําสมถามีหกจริตนะราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธจริตพุทธจริตมีหกอันพวกเราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมราคะจริตโทสะจริตพอเวลาจะทําวิปัสสนาก็มาคิดถึงราคะจริตโทสะจริตคนละเรื่องกัน ราคะจริตโทสะโมหนะวิตกสัทธาพุทธิอันนี้เป็นจริตในการเลือกอารมณ์สมถะราคะจริตก็พิจาณาปฏิกูลพิณาสุภาษณนะอะไรเงี้ยพิจรณาแล้วก็จิตพ้นจากราคะง่ายนะแต่ก็ไม่เสมอไปเห็นไหมอย่างพระที่เล่าให้ฟังเมกี้พระสารีบุตรเห็นว่าคนนี้เป็นราคะจริต ให้พินาสุภากับไม่สำเร็จท <systematic> <foliage> <g ridiculous> ่านขยักขย่งมากไปใจปฏิเสธแรงไปก็ต้องมีเทคนิคค่อยๆปรับไปพวกโทสัจจริตก็มาเจริญเมตตาพวกโมหจริตก็มาใช้อนาปานสติในบรรดาคนขี้โมโหมีโมหะไหมในบรรดาคนขี้โลภราคะมากมีโมหะด้วยไหมเม้โมหะเนี่ยเจืออยู่ในทุกคนเลยนะ เพรนอาณาปณะสติเนี่ยใช้ได้หมดอ่ะเลยเป็นกรรมฐานกลางๆใช้ได้หมดแต่เล่นยากนะไม่ใช่ง่ายต้องเรียนหลักให้แม่นเลยไม่งั้นจะกลายเป็นอาณาปาณะไม่มีสติไม่ใช่อาณาปณะสตินะเป็นอาณาปานาสตินะ ป, นนาปานาส ต, าาสติไม่มีสติยากต้องเรียนให้แม่นเน่ยทำแล้วก็เคลิ้มไป พวกศรัทธามากเนี่ยอา จ, จะคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยมีศรัทธามากอะไรอย่างเงี้ยค่อยดูจริตนะนี่เราก็มาเลือกดูว่าของเราเป็นพวกไหนจริตมันจะผสมผส า, านนะราคะโทสะโมหะเนี่ยกลุ่มหนึ่งศรัทธาวิตกพุทธินี่กลุ่มหนึ่งบางคนเป็นราคะด้วยแล้ววิตกด้วยฟุ้งแต่เรื่องราคะทั้งวันเลยเนี่ย บางคนเป็นราคะนะแต่ว่ามีศรัทธาชอบไปตามวัดไปดูพระพุทธรูปสวยงามแล้วก็เยิ้มตาเคลิม้มไปหาครูบาอาจารย์นะแล้วก็เคลิมอยู่เงินทั้งวันนี่นั้นคนเรามันจะจริดจะริดผสมประสานนะเราดูตัวเราเองแล้วไปสังเกตเอาว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรานะคนไหนหายใจแล้วสติเกิดบ่อยก็หายใจเอา คนไหนพุโทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วสติเกิดใบ่อยก็ พ, พุทโธเอาอะไรก็ได้แต่มันมีเคล็ดลับในการทําสมถกรรมฐานนั้นมีเคล็ดลับแรกเลือกเลือกอารมณ์นะเลือกที่คิดว่ามันเหมาะกับจริตของเราแล้วก็มาสังเกตดูว่าทำแล้วสบายใจไหมถ้าทำแล้วไม่สบายใจจิตไม่สงบสมถกรรมฐานไม่สําเร็จ มันอย่างพระสารีบุตรวิเคราะห์แล้วลูกศิษย์เป็นราคาจริตเป็นช่างทองเห็นแต่ของสวยงามให้พีนรนาสุภาปฏิกูณนาสุภาอะไรดูศพดูอะไรอย่างนี้ลูกศิษย์ไม่มีความสุขนะจริตมันซ้อนกันนะจริตราคาตัวสามโมหะเนี่ยอันหนึ่งมีตัวที่จะมาวิเคราะห์ประกอบนะ มีวิตกมีศรัทธามีพุท ธ, ธิจริตพุท ธ, ธิจริตนี้ชอบใช้เหตุใช้ผลศรัทธานี้ชอบเชื่องมงายิตกชอบคิดฟุ้งซ่านหาสาระไม่ได้สเปสปะมันจะเข้าไปประกอบกับ้ราคาโทรศโมหะอย่างพระที่พระสารีบุตรท่านสอนเป็นราคาจริตจริงตามตำราว่าควรแก็บอสุภากรรมฐานแต่ว่าท่านไม่เหมาะท่านไม่เหมาะ ท่านไปยึดดัวสุภากรรมฐานนะจิตท่านยิ่งฟุ้งมากกว่าเก่าอีกท่านเกลียดมันทำแล้วไม่มีความสุขจิตจะไม่สงบเพราะตัวที่ทําให้จิตสงบนะคือความสุขงั้นเรามาเลือกอารมณ์นะเลือกเอาของเราเองแต่ละคนแต่ละคนคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขอยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจมีความสุขรู้ลมหายใจถ้ามีความสุขหลายอย่างทำอมนน้นก็มีความสุขคำอันี้ก็มีความสุขก็ ม, มาดู จริตเราเหมากับอันไหนมากกว่าอันไหนมาสุ่มดูมาค่อยๆสังเกตค่อยๆทำไปเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยสอนเลยนะว่าคนนี้ให้ทำกรรมฐานอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะทำไมไม่สอนมันเกินภูมิของพระสาวกไปแต่ให้สอนหลักการให้เราไปสังเกตตัวเองสอนหลักการให้เราไปสังเกตตัวเองแล้วก็สอนหลักการของการทำสมถะและวิปัสสนาให งั้นเราไปดูจริตของเราเองนะแล้วก็สังเกตเอาว่าทำตามทฤษฎีแล้วมันมีความสุขไหมถ้าทำตามทฤษฎีแล้วเครียดกว่าเก่าแสดงว่าไม่เหมาะหรอกทฤษฎีไม่สามารถอธิบายอะไรได้ 100% มีข้อยกเวน้นเรากลายเป็นพวกอยู่ในข้อยกเวน้นและส่วนใหญ่เป็นข้อยกเว้นด้วย พอไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวเราทําอะไรหยาะเยาะใหญ่ใหนะหายใจวันหนึ่งแล้วเอาเบื่อแล้วเอาไปทําอันนี้เอาเบื่ออีกแล้วไปทําอันนี้กี่ชาติก็ไม่ได้กินออกนิสัยอย่างนั้นนะต้องเด็ดเดี่ยวนะหลวงพ่อเนี่ยไปเรียนจากท่านพ่อรีท่านพ่อรีสอนหายใจเข้าฟุดธหายใจออกโทมีนับ1ด้วยหายใจเข้าฟุดธหายใจออกโทนับ2ถ้านับถึง10นะแล้วก็หายใจเข้าฟุดธหายใจออกโทนับ9้า มีนับขึ้นนับลงอย่างเงี้ยเก้า็ยังก็ปล่อยจรวดเราเด็กเล็ก็เรานับอย่างนั้นไม่ไหวหลวงพ่อแอพพ y เลยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรนับหนึ่งนับไปถึงร้อยเลยแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่นับถอยหลังไม่เป็นอนะ่ะตอนนั้น7ขวบนะถ้ามาคิดเรื่องตัวเลขถอยหลังนี่เครียดเลยใจไม่สงบนะสังเกตตัวเองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งรู้สึกสบายใจนับใจก็สงบ แตมาเมืรู้สึกสงบมากขึ้นนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้นับด้วยเนี่ยถือเป็นภาระใจจะไม่ชอบแล้วใจลำคาลแล้วตัดทิ้งไปเลยเหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจไปหายใจไปนะคําว่าพุทโทเป็นส่วนเกินขึ้นมาอีกแล้วเป็นภาระขึ้นมาอีกแล้วเหลือแต่ลมหายใจเดียวหายใจไปหายใจไปลมหายใจสั้นเข้าสั้นเข้ากลายเป็นแสงสว่างลมหายใจกลายเป็นภาระไปอีกแล้ว ถ้กลับมาหายใจอีกจิตหยาบขึ้นมาอีกนะเก็จับมาความสว่างเป็นอารมณ์แทนลมหายใจไปแล้วเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆดูจิตมันจะค่อยเปลี่ยนไปมันจะค่อยให้ประณีตขึ้นประณีตขึ้นอารมณ์เดิมมาจจะกลายเป็นของหยาบใจไม่เอาใจไม่เอาปล่อยไปจะมีอารมณ์ที่ประณีตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยฝึกเอาเนี่ยจริตหกอย่างนะ สำหรับทำสมรรถราคะโทสะโมหะวิตกศรัทธาพุทธิจริตในการทำวิปัสสนามีแค่2อย่างเรียกตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามทิฏฐิจริตเนี่ยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนรุ่นเราเนี่ยทิฏฐิจริตเยอะนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีตัณหาจริตในทางปฏิบัติจริงก็เป็นจริตผสมผสานไม่มีจริตเดียวๆหรอก เพียงแต่สัดส่วนระหว่างตันหากับทิฏฐิอะไรจะมากกว่ากันเท่านั้นเองบางคนนั้นมันสูสีกันด้วยซ้ำไปพวกสูสีเนี่ยเลือกกรรมฐานยากนิดหนึง่งว่าอะไรพอดีกับเราวันนี้อันนี้พอดีอีกวันหนึ่งอีกอันหนึ่งพอดีอะเงี้ยนะเอาแน่เอานอนไม่ได้นั้นเราต้องค่อยๆสังเกตตัวเองถ้าพวกตันหารจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะคือดู ก, กายแล้วก็เวทนาเวทนาในกายเนี่ยดูเข้าไป พวกทิ่ฉีจริตนะีคือดูจิตตานุปัสสนานะการทำมานุปัสสนานี้เหมาะกับจิตและธรรมนย่างอย่างที่ดูจิตดูจิตที่หลวงพ่อดูจิตทําไมหลวงปู่ดูลสอนให้หลวงพ่อดูจิตเพราะหลวงพ่อเป็นพวกทิ่ฉีจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนเมืองนะ่ะพวกเราถูกสอนให้ไม่เชื่อทุกอย่างต้องเต็มไปด้วยเหตุผลใช่ไหมเจ้าความคิดเจ้าความเห็นแทบทุกคนอนะ่ะในคนยุคนี้นะยุคของพวกเราเนะี่ยบอกให้เชื่อเชื่อไหมไม่เชื่อ อย่าว่าแต่พวกเราเลยหลวงพ่อเองหลวงปู่ ด, ดูลนะเคยลองใจหลวงพ่อนะสอนสอนแล้วถามหลวงพ่อเชื่อไหมบอกยังไม่เชื่อครับแต่จะขอไปลองดูก่อนจะต่างกับพวกเราทีเดียวยังไม่เชื่อครับจะไปหาเหตุผลก่อนแล้วไปหาเหตุผลก่อนแล้วเชื่อแล้วจะมาลองทําดูหาเหตุผลในสิ่งซึ่งเราไม่เคยรู้จักไม่มีทางหรอกนะบอกท่านเลยว่าผมยังไม่เชื่อหรอกเพราะมันไม่เห็นจริงแต่ผมจะลองทําดูก่อน ไปลองทําดูวันหลังไปบอกท่านเลยเชื่อเราครับเ น, นี่จริตนิสัยอย่างนี้นะเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตไม่ใช่พวกทิฏฐิมานะมากนะทิฏฐิมานะมากใครสอนกูไม่ฟังหรอกกูเก่งของกูอยู่คนเดียวพวกนี้ไม่มีใครสอนหรอกพวันนี้เขาก็ปล่อยทิ้งไปเอาเวจีสอนเองนะค่อยพัฒนาออกทีหลัง้็เรามาดูตัวเราเองว่าจริตอะไรเหมาะกับตัวเองนะ นี่คือการใช้ปัญญาสัมปชัญญะอะไรเหมาะสมกับเราถัดจากนั้นไม่หลงไม่เผลอไปทำอันอื่นก็คือมีสติรู้อารมณ์กรรมฐานของเรานั่นแหละรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปอย่างสงูงก็ทาสมถะเราเหมาอกับลมหายใจเรามีสติอยู่กับลมหายใจเห็นไหมต้องมีสติเห็นไหมเราเลือกมาแล้วมีสัมปชัญญนะนั้นเลือกมาแล้วว่าเราจะใช้ลมหายใจในการทำความสงบเรามีสติ รู้ลมหายใจไปเรื่อยนี่มีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะลถ้าเรารู้ว่าจริตนิสัยเราต้องดูจิตเรามีสติรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยไปนี่มีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะลไม่ใช่ตามตามเพื่อนนะไม่ใช่ตามอาจารย์อาจารย์นี้ดังอาจารย์นี้สอนอย่างนี้อาจารย์นี้สอนขยับอาจารย์นี้สอนพองยุบเราจะต้องพองยุบเหมือนอาจารย์ต้องดูจิตเหมือนอาจารย์ต้องขยับทำจังหวะเหมือนอาจารย์อันนั้นโง่อันนั้นโง่ล ไม่รู้ว่าอะไรสมควรแก่ตนอะไรไม่สมควรแก่ตนแม้นสํารวจตัวเองก่อนนะว่าอะไรสมควรแก่ตัวเราสังเกตเอานะอะไรรู้อะไรแล้วสติเกิดบใยเอานั้นแหละถาดจากนั้นก็มีสติรู้อารมณ์นั้นไม่หลงไม่เผลอไปที่อื่นซะนะอย่างต้องการทำสมถะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เหมาะกับเราคือลมหายใจแล้วก็มีสติรู้ลมหายใจไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมลมหายใจนะ มีสติรู้ลมหายใจเรียกมีสติไม่หลงไม่เผลอลืมลมหายใจซึ่งเป็นของที่เหมาะกับเรานะเรียกว่ามีอาศัมโมหะสัมปัญญะมีสัมปัญญะเรารู้ว่าเราต้องดูกายเรามีสติรู้กายไปมีสติรู้กายเพราะกายนี้สมควรแก่เราตรงที่รู้ว่ากายสมควรแก่เราเนี่ยเรียกว่าสัมปัญญะแล้วก็มีสติรู้กายไปเรื่อยไม่หลงไม่เผลอไปตนอื่น นี่แหละเรียกว่ามีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะนี่คือธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะมากยังไงอุปการะมากที่ทํามนุษย์โศโโรคนะให้เป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมทำมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมนะพ้นจากความเป็นมนุษย์ไปนะเป็นพระอริยบุคคลไปพ้นจากโลกไปจนถึงมรรคนิพพานอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละ งั้นวันนี้ไปสํารวจตัวเองนะอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอย่างพระนะอย่างพระหลวงพ่อจะบ่นพระพระชอบเล่นมือถือพระชอบเล่นอินเทอร์เน็ตอะไเนี่ยนะไม่มีสาระนะถามเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์ทําให้ฟุ้งซ่านนะมีโทษไหมโทษเยอะอีกนะเดี๋ยวดูไปดูโน้นดูนี้จิตไม่ดีไม่ต้องไปดูรูปโปรหรอกดูข่าวการเมืองจิตก็ตกแล้ว ข่าวข้อมูลทุกวันนี้ใชมีแต่เรื่องทําให้จิตตกไม่สมควรกับเรามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นั่นสำรวจนะต้องสำรวจอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรสมควรกับเราอะไรไม่สมควรกับเราพอรู้แล้วว่าอะไรสมควรกับเราในการทําสมถะมีสติรู้นั้นรู้แล้วว่าอะไรสมควรกับเราในการทํำวิปัสสนามีสติรู้นั้นแต่มันมีเคล็ดลับมีหลัก ในการทำสมถะนั้นสติไปรู้อารมณ์นั้นรูปแบบไหนในการทำวิปัสสนานั้นสติไปรู้อารมณ์นั้นรู้แบบไหนรู้ไม่เหมือนกันนะงั้นวิธีรู้วิธีมีสติเพื่อให้เกิดสมถะเป็นอย่างหนึ่งวิธีมีสติเพื่อจะได้มีวิปัสสนาเป็นอีกอย่างหนึ่งต้องเรียนเชิญนะไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ